ไม่มีใครไม่ถูกคนอื่นนินทาสิ่งที่เราอยากหลบจริงๆไม่ใช่เสียงภายนอกแต่เป็นความรู้สึกไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในใจเราเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนไม่ถูกนินทาในโลกนั้นไม่มีเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะมีคนพูดถึงเราในทางไม่ดีเสมอเพราะว่าคนเราเห็นอะไรต่างกัน ถ้าหากว่ามุมมองที่ต่างกันนั้นประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกที่จะเอาเข้าตัวหรือว่าความรู้สึกอยากแข่งได้ชิงดีอะไรก็ตามมันจะทำให้เกิดความรู้สึกอยากนินทาอยากพูดถึงในทางไม่ดีขึ้นมาเสมอนะครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมประเภทชอบนินทาอันนี้เป็นการทำความเข้าใจอันดับแรกซึ่งรู้ๆกันอยู่ แต่ว่ามันเข้าไม่ถึงใจสิ่งที่เราอยากหลบจริงๆไม่ใช่เสียงภายนอกแทนที่จะมองว่าจะแก้ปัญหาข้างนอกอย่างไรขอให้มองว่าสิ่งที่เราอยากหลบจริงๆเนี่ยคือความรู้สึกไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในใจเราเองเสียงภายนอกเราไม่สามารถจะควบคุมได้ไม่สามารถจะตามทําความเข้าใจได้หมดได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราคือความขัดเคืองความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกแย่ๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะตามรู้ได้ตามทําความเข้าใจกับมันได้โทสะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะร้อนขนาดไหนไม่ว่าจะเกิดยืดยาวขนาดไหนในที่สุดมันจะแสดงความไม่เที่ยงออกมามีคำถามว่า แผ่เมตตาให้เขาหยุดนินทาได้ไหมตอบว่าท้านในตอนแผ่เมตตาเราเต็มไปด้วยความรู้สึกกระวนกระวายบางทีมันก็เหมือนกับแผ่ความร้อนหรือว่าแผ่ความกระวนกระวายไปเหมือนเอาตัวกระตุนหรือว่ายั่วยุให้เขาอยากจะกลับมาทิมแทงเราอีกได้วิธีเจริญสติรับมือเสียงนินทา ณเวลาที่เขาเนินทาเราแล้วเราเกิดความทุกข์อย่าพยายามฝืนไม่ให้เกิดความทุกข์ให้ยอมรับตามจริงว่ามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วให้ฝึกจนกว่าจะชินให้ฝึกจนกว่ามันจะได้ถามตัวเองลมหายใจนี้ทุกข์ขนาดไหนแล้วก็คอยสังเกตเอาว่าลมหายใจเข้าใหม่ลมหายใจออกใหม่ยังทุกข์เท่าเดิมอยู่ไหม ยอมรับไปทีละลมหายใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับใจของเราเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ว่ามันแสดงความไม่เที่ยงให้ดูอย่างไรในแต่ละลมหายใจความทุกข์จะสอนให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงตอนที่เข้าใจความจริงได้ว่าลักษณะความทุกข์มันต่างไปเรื่อยๆความสุขอันเกิดจากการที่เราเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งใดแล้วเราไม่ยึดสิ่งนั้น มันเป็นความสุขที่แท้จริงมันทำให้จิตของเราสงบอย่างแท้จริงความสุขสามารถละลายพฤติกรรมคนได้ความสุขความเบานั้นเป็นมิตรกับคนทั่วไปมันสามารถละลายพฤติกรรมบางอย่างของคนได้เวลาที่ใจของเราเบาไม่ยึดเอาโทสะเป็นที่ตั้งเป็นที่โฟกัส แม้ว่าจะถูกนินทาแม้ว่าจะถูกกลัน่นแกล้งพอนานๆไปคนที่เขาจงใจนินทาจงใจกลั่นแกล้งเราเกิดความรู้สึกว่าเอาชนะเราไม่ได้ในที่สุดเขาจะยอมแพ้ไปเองจิตคนโดยธรรมชาติดั้งเดิมเลยมีความอ่อนแอมีความป่วยเปียกเมื่อพยายามอะไรมากๆเข้าแลประสบความล้มเหลวตลอดในที่สุด มันจะแพ้ภัยตัวเองพยายามจะไปทำเขาเสร็จแล้วเขายิ่งดูนับวันยิ่งมีความสุขขึ้นทุกทีมันถอยไปเองมันหมดแรงมันหมดกำลังถ้าเขาร้ายมากๆจริงๆเราอาจจะไม่เห็นผลต่างภายในวันสองวันแต่เชื่อเถอะว่าหลายเดือนผ่านไปหรือว่าเป็นปีในที่สุดเขาจะอ่อนกำลัง สรุปคำแนะนำก็คือถ้าเราทำความเข้าใจกับกลไกภายในของเราได้มันมีอิทธิพลให้พฤติกรรมของเขาแตกต่างไปได้ด้วยคือเรามีความสุขก่อนและเขาอาจจะได้ทำบาปน้อยลงหรือไม่ต้องได้ทำบาปอีกเลย